เคยได้ยินคำพูดที่ว่าทำดีอย่าหวังผลผลในที่นี้เนี่ยผลกล็มักจะหมายถึงผลประโยชน์ส่วนตัว เ, เช่น เ, เมื่อเราให้ทานนะเราทำบุญถวายพระนะก็ไม่หวังว่าจะได้รับคำชื่นชมสรรเสริญ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 ตอบแทนความดีของเราหรือแม้กระทั่งสำนึกในบุญคุณของเราไม่ได้หวังจะให้เขามาชื่นชมสรรเสริญเราเนี่ยแต่ทำเพราะตั้งใจตั้งการจะช่วยเขาจริงๆเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากก็อยากจะช่วยจริงๆเนี่ยนอกจากทำดีไม่หวังผลแล้วนะบางทีเราก็ต้องรู้จัก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 ท่านจะฉันอาหารของเราไหมท่านจะขผมจีวรของเราไหมฉันแล้วเป็นยังไงรสชาติเป็นอย่างไรชอบไหมอันนี้เรียกว่าทาดีแล้วเนี่ยก็ยังไม่วางผลนะซึ่งบางครั้งก็ทำให้ทุกข์นะเพราะว่าพอรู้ว่าหลวงพ่อท่านยังไม่ได้ฉันจีวรที่ถวายก็ท่านก็เป็นมอดให้กับภาพรูปอื่นซึ่งมีจีวรเศร้าหมองจีวรเก่าเนี่ย คนถวายก็เสียใจว่าหลวงพ่อนะไม่ได้สนองศรัทธาของเราอย่างเต็มร้อยนะแต่ถ้าเรานะเวลาถวายไปแล้วเราก็วางซะท่านจะฉันอาหารนะหรือไม่นะก็ก็แล้วแต่ท่านท่านจะผมจีวรหรือถวายให้คนอื่นก็เป็นเรื่องของท่าน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 แต่ ท, ทันทีที่ลงมือทานะก็ต้องวางผลนะหมายความว่ามันจะสำเร็จเมื่อไร่ผลจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ไม่สนใจตั้งหน้าตั้งตาทำความเพียรตัวอย่างที่ดีนะก็คือตัวอย่างของพระมาชนกนะพระมาชนกนีพวกเราทุกคนรู้จักดีแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าความสำคัญของพระองค์ ของท่านเป็นอย่างไรพระมาชนโลกนี่ก็เป็นพระโพธิสัตว์นะในชาติท้ายๆนะก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายเศร ษ, ษ, ษ, ษัตถแล้วก็บนเพ็์ความเพียรอยู่นทั้งตัดสรุปเป็นพระสมณะสัมพุทธเจ้าเ<ม>หตุการณ์สำคัญนะในชีวิตของพระมาชนโลกอาชีนรู้จักกันดีนะก็คือตอนที่ เรือเดินสมุนนี้ล่มอับปางเพราะว่าโดนพายุซัดกระหน่าพระมาชน ก, ก็อยู่ในเรือนะก็ต้องลอยคออยู่กลางทะเลคนอื่นที่เดินทางมาด้วยก็จมน้ำตายหมดแต่พระมาชนลนี่ท่านเกาะแผ่นไม้เอาไว้ได้แล้วก็ลอยคออยู่กลางทะเลอยู่พักหนึ่งแล้วท่านก็ตัดสินใจว่ายเข้าหาฝั่งฝั่งนี่ไม่เห็นเลยนะ นะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ทะเลแต่ท่านก็ไม่มีความท้อแท้ก็ไหว้บอกว่าท่านไหว้ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนนะเจ็ดวันเจ็ดคืนทีเดียวก็คงจะไม่ได้ไหว้ตลอดนะบางช่วงคงจะพักลอยคออยู่กลางทะเลเสร็จแล้วก็ไหว้ใหมนะ่ความเพียงของพรอาชลงนีพระอินทรีรับรู้ก็เลย ไปบอกนางมณีแม่ขลาว่าให้มาช่วยนางมณีแม่ขลาเนี่ยเป็นเทพธิดาที่ดูแลท้องทะเลเมื่อนางมณีไม่ขลาเนะ่ยเหาะมาถึงก็เห็นพระมหาชนกนิ่ไหว้ไหว้ไหว้ไหว้กลางมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไม่เห็นฝั่งก่อนที่จะลงมือช่วยนะก็สงสัยเลยถามพระมหาชนกว่าทั้งทั้งที่ท่านมองไม่เห็นฝั่งเนี่ยท่านไหว้ไปทำไมมีประโยชน์อะไร พระมาสนก็ตอบว่าแม้จะมองไม่เห็นฝังนะแต่ข้าพเจ้าก็าไหว้ก็เพราะเห็นประโยชน์ของความเพียนนางมนีแม่คะละก็ถามต่ออีกว่าท่านจะเพียนไปทำไมในเมื่อฝั่งนี่อยู่ไกลมากเพียนเท่าไหร่เท่าไหร่นะก็ไม่มีทางถึงหรอกตายสถานเดียว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 ตอบคาตอบของพระมาชนกนะก็เลยช่วยอุ้มพระมาชนกเนี่ยขึ้นฝั่งนะไอ้พระมาชนกเนี่ยแน่นอนนะ่าไหว้น้ำเพื่อจะถึงฝั่งแต่ขณะที่ไหวย น, น้ําเนี่ยนะก็ไม่ได้คิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงมองไม่เห็นฝั่งแต่ก็ยังไหว้และไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งหรือเปล่าก็ยังไหว้อันนี้เราว่า ทำดีโดยปล่อยวางผลนะหรือทําความเพียรสร้างเหตุโดยปล่อยวางผลซึ่งก็ทําให้สามารถจะมีความเพียร น, นะได้ต่อเนื่องคนเราเนี่ยถ้าหากว่าทาอะไรไปแม้จะเป็นสิ่งดีนะแต่พอใจมันไปเกาะติดอยู่ที่ผลว่าเช่นจะต้องถึงฝังนะว่ายไปหนึ่งวันไม่ถึงฝังเนี่ยบางทีก็ท้อลนะ ไหวไปสองวันไม่ถึงฝังไม่เห็นฝังเสทีก็ยิ่งท้อก็ไปใหญ่ระหว่างไหวที่ก็เป็นทุกข์นะแล้วก็ทำให้ความเพียรย่อหย่อนนะแต่พระมาชันนงนี้นะท่านไม่สนใจนะว่าจะถึงฝั่งหรือไม่แม้มองไม่เห็นก็หว้ไหว้ไหวแล้วก็ไว้นะนี่เรียกว่าทำความเพียรเต็มที่เป็นการทำดีโดยปล่อยวางผล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 เช่เวลาเดินทางเนี่ยเออเราก็ไต่ตองก่อนเดินทางแล้วว่าเส้นทางเที่นี้ไปถึงจุดหมายแน่เชียงใหม่รถที่เราขับนะเราก็ตรวจตาให้ดีนะว่าไม่มีอะไรบกพร่องหรือถ้านั่งรถเมย์ก็แน่ใจว่าเป็นสายที่จะพาไปถึงเชียงใหม่ดันั้นเมื่อเมื่อรู้แน่ชันแล้วว่าใช่แน่นะถึงเวลาเราขับรถหรือว่าเรานั่งรถนะ เราก็ปล่อยวางได้เลยนะจุดหมายปลายทางเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้าไม่ลงจากรถก่อนเนี่ยหรือว่าถ้ารถไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยถึงแน่นี่เราวางผลนะวางผลเวลาเราเรียนหนังสือก็เหมือนกันนะเราก็เรียนเต็มที่ส่วนคะแนนมนจอง ม, มายัางไรนะสอบแล้วจะได้เกรดเท่าไหร่เนี่ยวางเอาไว้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องอนาคตนะไม่คอยไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คอยพอวงว่า เราจะสอบได้หรือไม่นี่นะถ้าสอบได้ต่ำกว่าสองนี่เราคงแย่แน่ๆเลยยวไม่ทันจะสอบเลยก็ทุกซะแล้วทให้ท้อแท้ในการนะทำความเพียรในกษะที่เรียนหนังสืออ่านหนังสือเตรียมสอบก็วางวางผลซะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเวลาปฏิบัติธรรมอาาล้วก็ทำความเพียร ส่วนความสงบจะเกิดขึ้นหรือไม่ปัญญ า, าจะเกิดขึ้นหรือไม่ความสึกตัวจะสอนเนื่องหรือไม่นะ่ะไม่เอามาเป็นข้อกังวลนะไม่จะติดนะนะเรียกว่าทําดีนะแล้วก็รู้จักวางผลแล้วมันจะช่วยได้เยอะนะเพราะคนเราถ้ารู้จักวางแล้วเนี่ยนะในความเคียรเนี่ยมันจะมีกําลังได้มากหลายคนมักจะพูดว่าเนี่ย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 แล้วก็เลยเลิกทำไปเลยนะคนที่มาบวชนะแล้วก็มาด้วยไฟเนะียอยากจะบรรลุนะิพพานนะเป็นพระหลานให้ได้ภายในพรรษานี้โอ้ทำความเพียนใหญ่เลยบางทีทำไปครบพรรษาแล้วยังไม่บรรลุนิพพานเลยท้อเลิกเลยนะสึกไปเลยไอแบบนี้ก็มีนะบางทีก็ไม่ใช่สามเดือนหนึ่งปี ทำเต็มที่แต่ทํำด้วยความเครียดหน้าดามข้ามเคร่งอันนี้เรียกว่าทําดีนะแต่ว่าไปยึดผลนะฉนั้นต้องฝึกนะทําความดีแต่ปล่อยวางผลเริ่มตั้งแต่เวลาการเวลาเราช่วยเหลือใครเวลาทําบุญให้ทานลองฝึกบ้างเออถวายอาหารหลวงพอ่อถวายเสร็จก็ปล่อยวางให้ถือว่าอาหารที่ถวายนั้นไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของหลวงพอนะ่อแล้วะฝึก ปล่อยวางความจ็บติดถือมั่นในตัวกูของกูไม่ต้องไปคอยเฝ้ามองว่าหลวงพ่อจะฉันหรือเปล่าบางคนนี่ถวายไปแล้วนี่วันรุ่งขึ้นก็เขียนเขียนลายมาถามว่าฉันหรื อ, อยังหรือว่าโทรศัพท์มาถามว่าเป็นยังไงเนะนี่ใจยังพอวงหนึ่งผลนะเขาไม่ได้ห่วงของ น, นะเขาก็ไม่ได้ห่วงแขนอะไรแต่ว่ามันอยากจะรู้ว่า ไม่หลวงพ่อฉันหรื อ, อยังนีนะระหว่างที่ไม่รู้นี่ก็ทุกนะพอรู้ว่าหลวงพ่อไม่ได้ฉันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นะไอ้บุญที่มันจะได้ก็เลยหายไปกลายเป็นอแทนที่ได้เต็มร้อยนะก็จะเหลือสักเจ็ดสิบแปดสิบนะเพราะว่าจิตที่ขุนมัวถ้าฝึกเอาไว้นะ่ะไม่ใช่แค่ทําดีไม่หวังผลอยีกเลยนะทําดีก็ต้องรู้จักวางผลด้วยไม่ว่าผลนั้นจะเกิดขึ้นกับเราเองหรือผลจะเกิดขึ้นกับคนอื่นก็ตาม อาละเตียมรับผ่อนิชิตังปฏิตังตุมฮังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพีบาเมวัสมีชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสาเพภูเรนตุสังกัปปะขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเหมือนพระจันในวันเพนมานิโชติรโาโสยาธา เหมือนแก้มเนียงสว่างสวยควรยินดีสาพีติโยวิวาชันตุหวานใจรายทางกวงจงบำราชไปสาปารโโควินา ส, สตุโรคทั้งกวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุทีธีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิริสเนจงางุทหาปจายโนยตาโรธรรมาวาณติอายุวันโนสุขังภะังสามสี่ประการคืออายุวันนสุภาพภะระยอมเจริญแก่บุคคลผูม้มีปกติไหวกรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสัพมังคลัง อสาภาะมงคลจงมีแก่ท่านเราขันตุสัพพเทวตาพอเราเทวดาทั้งผวงจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังขานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระโสด ส, สดีพ่อวันตูเจความสวัสดีทั้งหลายย่อมมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิด